ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องผูกให้ดีแก้ให้ได้โดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21เมษายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มามีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึง่งน่พูดถึงเรื่องของบุคคลสี่จำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกนะมีอยู่สพวกคือ1พวกที่ฉลาดผูกแต่ไม่ฉลาดแก้นะหนึ่งพวกฉลาดผูกแต่ไม่ฉลาดแก้ 2. พวกฉลาดแก้ไม่ฉลาดผูก นะคือพวกที่ฉลาดทั้งผูกทั้งแก้4ไม่ฉลาดทั้งผูกทั้งแก้นะมีอยู่4พวกบุคคล4พวกเนี่ยผู้เจ้าจะมีตัดเยอะมากเลยนะพวกมีอะไรบ้างเนี่ยโหเยอะแยะมากมายแต่นี่ก็เลือกๆออกมานะเราลองดูบุคคลประเภทแรกก่อนิพวกฉลาดผูก แต่ไม่ฉลาดแก้เช่นผูกอะไรบ้างนะฉลาดผูกเนี่ยอือะไรนะผูกโกรธเลโอล้โหเอ๊ะมันฉลาดหรอผูกโกรธเนี่ยนะไม่ฉลาดหรอโกรธเนี่ย <c oughs> ไอ้ยผูกโกรธเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าฉลาดเลยจริงไม่ฉลาดนะเออ โง่นะที่จะไปผูกโกรธเนี่ยคือมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยผูกในทางที่มันเหมาะในทางที่ควรที่จะผูกกับอีกอย่างคือสิ่งที่เราไม่ควรไปผูกแต่เราก็ไปผูกอ่าเพระเาะฉะนั้นต้องแยกกันเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทแรกเนี่ยถ้าใช้อันแรกว่าฉลาดผูก นะแต่ไม่ฉลาดแก้หมายถึงว่ า, เ, าเราถือว่าฉลาดเป็นแนทางที่ดีนะเราถือว่าความฉลาดเป็นเป็นแนทางที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอย่างเช่นรู้ว่ า, าการมาวัดดีการมาฟังเทศฟังธรรมดีอันนี้ก็ต้องผูกนะต้องมีจิตใจที่ตั้งขึ้นมาที่บางคนอาจจะต้องตั้งเป็นดบับะ หรือว่าบางคนอ า, อาจจะ ต, ตั้งจิตอธิษฐานหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่ากําหนดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยแหละฉันจะต้องอย่างนี้ ง, ง, งีให้ได้ซึ่งอันนี้เป็นการผูกเหมือนกันเพียงแต่จะผูกระดับไหนนะผูกพันแบบธรรมดาหรือว่าโอ้โหผูกพันแบบชนิดแน่นหนาเลยเหมือนกับบางคนคิดจะมาวัดนะตั้งใจจะมาถือศีลปฏิบัติธรรม มาเลยอย่างเงี้ยผูกอเลยจะผูกให้แน่นเลยผูกทีเดียวอะ่ะผูกทีเดียวเนี่ยจะผูกให้แน่นเลยเรียกว่าชนิดที่เรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องแกะก็ไดะแล้วผูกแล้วผูกเลยเงื่อนตายอะ่ะที่เขาเรียกว่าเงื่อนตายผูกแล้วชนิดที่เรียกว่าแก้ยากหรือแทบจะแก้ไม่ได้เลยคือผูกแล้วเรียกว่าถ้าจะแก้นี่ก็คือยังไงไม่ใช้กรรไกตัดก็ต้องใช้มีดฟันอะ่ะ คือโหทํามาให้ใช้เล็บใช้นิ้วแกะนี่ยากมากๆเคยไหมละ่ะแกะอะไรแล้วแบบแบบประเภทที่เรียกว่าโหแกะไปแกะมาแกะไปแกะมาเอามีดมาตัดเลยเพราะมันแหมแกะลาบากจังทั้งเสียเวลาทั้งอะไรต่ออะไรนั <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ผูกในทางที่ดีก็ตามแต่บางทีแล้วไม่ฉลาดแก้ก็คือ อยากจะมาวัดอยากจะมาฟังธรรมแต่ปรากฏว่ามีปัญหาที่บ้านมีปัญหาหรือว่ า, าคนทั้งบ้านอาจจะยังไม่ยอมอย่างเงี้ยคือมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเนยเหมือนกับแต่พอมีปัญหาแล้วบางทีไม่รู้จะแก่อย่างไรแก่ไม่ได้แก่ไม่เป็นแต่คิดอยู่อย่างเดียวคือผูกไว้ก่อน แก้ไม่ได้ก็ช่างมันเอาไว้ทีหลังเนี่เนี่ ย, ย, ยคือคนประเภทแรกอันนี้พูดในแง่ที่ดีนะพูดในแง่ที่ว่าตั้งจิตตั้งใจดีผูกในสิ่งที่ดีหรือบางคนเนี่ยจะกินมังสวิรัตโอ้ตั้งจิตตั้งใจดีผูกปินกป่นโตเลยผูกปิ่นโตไว้เลยนะทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าผูกปิ่นโตเลยเอาสั่งให้เขาทาเป็น บังสวิรัติมาเอามาส่งโอ้โหแล้วก็กินอย่างเงี้ยอา้าวมีพวกเราบางทีเขาเปิดร้านบางสวิรัติหรือบางทีไม่ต้องเปิดร้านหรอกแต่เขารับทําบางสวิรัติไงแล้วก็ใครจะมาผูกปีนโตมาผูกแล้วเขาก็ทําส่งให้มีอย่างเงี้ยบางคนก็โอ้โหตั้งใจดีนะแต่พอคิดขึ้นมาแล้วทําขึ้นมาแล้วทําในสิ่งที่ดีนี่ก็เถอะแต่ ไม่ฉลาดแก้ก็คือบางทีคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเพื่อนผูกไม่ไม่กินด้วยทางบ้านเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับอย่างนี้อ่ะเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่รู้ว่าแก้ไงแต่คิดได้แต่ในส่วนของตัวเองว่าก็ก็มันดีอะ่ะมันคนเรามันน่าจะกินบางสวิรัติเ <c oughs> นี่ยเนี่ยคือฉลาดผูกแต่พอมันมีปัญหาขึ้นมาแก้ไม่เป็นแก้ไม่ได้ นนี่ยังพูดในทางที่ดีนะตอนนี้ถ้าไม่ฉลาดละ่ะผูกในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอย่างเงี้ย โ, โ, โอ้ยิ่งไปใหญ่เลยนะพวกที่ไปติดของเสพติดไปติดอใบยมุกไปติดสิ่งที่ไม่ควรติดอะ่ะแล้วก็ไปผูกพันด้วยไปติดยึดด้วยนะเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยไปติดยาเสร็จไปยังไงเงินทองก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆบางบางทียังเป็นเด็ก บางทียังหาเงินเองไม่ได้แต่พอไปติดแล้วไปไงเอาละสิเงินทองไม่มีอะ่ะแต่ไปติดยามันก็อยากยาอยากยาเสร็จแก้ไงคนนี้ฮะที่ส่วนใหญ่อะ่ะบางทีเขาแก้กันยังไงเป็นผู้หญิงบางทีก็กลายไปเป็นไปขายยาเองหรือบางทีก็ยอมไปขายตัวใช่ไหมเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็มาซื้อยาเสพ นูน่นอันนี้ไม่ใช่คาว่าฉลาดผูกนะอันนี้โง่ในการผูกน่าไปผูกในสิ่งที่ไม่ควรผูกอย่างเงี้ยผูกเสร็จแล้วกแก้ไม่เป็นด้วยหมายถึงว่าพอมันมีปัญหาขึ้นมาเอาน่ะสิแก้ไม่ได้แก้ไม่เป็นคำว่าแก้ไม่เป็นคือแก้ไปในทางที่เร็วให้มันผิดซ้ำซ้อนเข้าไปอีกอย่างบางคนเนี่ยทาผิดศีลขึ้นมาเอาไม่ต้อง เอาธรรมดาก็ได้เอาเอ า, เอานักบวชก็ได้เกิดทําผิดศีล ข, ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ขั้นประชิกนะเอาไล่ลงมาตั้งแต่ขั้นสังคธิเสตขั้นอาบัติหนักก็ตามหรืออาบัติเบาก็ตามแต่พอไปทําผิดปับ๊บนี่ผูกขึ้นมาแล้วแต่อันนี้ผูกในสิ่งที่เป็นกวนผูกนะแต่พอผิดพลาดขึ้นมาปับ๊บไม่ฉลาดแก้อย่างเช่นปกปิดเอาไว้ ไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมให้ใครรู้นะปกปิดใครยิ่งไม่รู้เราเราจะได้ไม่เป็นอะไรอันนี้ก็ไม่ฉลาดแก้เพราะ้าศาสนาพุทธนี่ผู้เจ้าไม่เอาเลยผู้เจ้าถ้าทาผิดมาต้องเปิดเผยต้องบอกให้คนอื่นรู้เพราะการบอกให้คนอื่นรู้การเปิดเผยกับคนที่ควรเปิดเผยเป็นการแก้ปัญหาแก้ความผิดพลาดแก้ความปกป้องที่เราทำผิดพลาดมาได้ อันนี้หมายถึงคนที่ไปผูกโง่โง่งที่จะไปผูกแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาแล้วอย่างนี้ยังจะฉลาดแก้ได้แต่ยิ่งปกปิดเอาไว้นี่ไม่ฉลาดแก้เลยเพราะฉนั้นวันหลังเนี่ยพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาหรือคนรู้เข้ากี่วันละที่ปกปิดไปเพรา ะ, ะนั้นถ้าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาปกปิดไว้กี่วันบวกไปเลยบวกไปเลยกี่วันก็บวกเข้าไป เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเพิ่มอย่างนี้เหมือนไปกู้เงินคนเขาอย่างเงี้ยไปกู้เงินเขาเป็นหนี้เป็นศินโอ้โหดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยสูงๆก็กู้เขาไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดที่จะไปผูกกับเจ้าหนี้แบบนี้เลยผูกเสร็จอ้าวก็ติดหนี้ติดสินเขาเสร็จแล้วเกิดจะใช้ไม่ทันแล้วเ ข, ข, ขาเขาเนี่ยไงใช้ไม่ทันก็เที่ยวหลบเที่ยวหนีหรือไม่ก็ เพอเอนั่นแหละไปจี้ไปป้นหรือบางคนก็เอาเงินไปเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรเพื่อที่คิดว่าเผื่อจะได้เงินกลับมาเยอะๆและจะได้เอาเงินไปใช้หนี้อันนี้ไม่ฉลาดแก้เลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือผู้ที่ฉลาดผูกแต่ไม่ฉลาดแก้บอกและ้วะแม้แต่การมา ทำดีก็ตามทำดีไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานี่ทำดีก็มีปัญหาบางทีเนี่ยคุณอยากจะทำดีอะไรเนี่ยคุณนึกว่าทำดีแล้วใครๆก็ชอบหมดทุกคนหรือไง <c oughs> คุณว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะไม่หรอกบางคนที่เขาไม่คิดอย่างเดียวกับเราอ๋อบางทีเขาก็ไม่ชอบได้เหมือนกันแม้ทำดีนี่แหละไม่อย่างนันจะเกิดสงครามาศาสนาเลย ก็ถ้าศาสนาสอนให้คนดีแล้วทําไมมันต้องเกิดสงครามศ า, าสนาไปเมื่อศาสนาสอนให้คนนี้ก็ดีสอนให้คนนี้ก็ดีคนโน้นก็นดีอา้าวก็ศาสนาสอนให้คนดีก็จะต้องอ่ากลายเป็นสันติภาพสิในศาสนาไม่ใช่กลายเป็นสงครามศาสนาเพราะอะไรล่ะเพราะคนมันยังคิดไม่เหมือนกันเนะ่ยตัวศาสนาจริงๆดีแต่คนมันคิดไม่เหมือนกันนะี่ย มันเลยทำให้ทะเลาะบอกแว้งหรือทำให้ไม่ชอบใจกันหรือทำให้เกิดสงครามขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วทำดีก็ตามนะฉลาดผูกแล้วแต่เมื่อเกิดปัญหาต้องฉลาดที่จะแก้ด้วยอยาแบบว่าแก้ไปในทางที่ผิดถ้าแก้ไปในทางที่ผิดนะพยายามแก้นะแต่แก้ไปในทางมิจฉาทิฐิ แก้ไปผิดที่ปิดทางหรือบางครั้งเราอาจจะประเมินไม่เก่งประเมินไม่ดีแก้ไขไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหยิงเกิดเรื่องเกิดลาวขึ้นมาหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยแม้เราไม่เจตนาร้ายอะไรเลยแต่อย่างเงี้ยก็ถือว่าฉลาดผูกแต่ไม่ฉลาดแก้การประมาณอะไรต่างๆยังยังยังประมาณไม่เป็นประมาณไม่เก่ง เคยยกตัวอย่างให้ฟังเสมอเสมออย่างเช่นมีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเป็นลูกช่างทองพอมาบวชเสร็จปรากฏว่าภาษารีบุตรเอามาฝึกอยู่สเดือนสอนอยู่4เดือนเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมแต่ปรากฏว่าคิดตามเหตุตามผลระดับปัญญาขนาดของภาษารีบุตรโอโหเอามาสอนสเดือน หวังว่าจะให้ได้มากผลจะให้บรรลุธรรมแต่ปรากฏว่าภาษาริบุตรนะลูกช่างทองขึ้นมาติดรักสวยรักงามสอนอสุภาพต่างๆให้ซึ่งคิดตามเหตุผลแล้วถูกต้องหมดเลยแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จคือพูดง่ายๆว่าสี่เดือนเนี่ยที่พยายามสอนไปแล้วชัดเจนตัวเองแล้วว่าตัวเองนี่ไม่สามารถที่จะทําให้ ปิฆูรใหม่รูปนี้บรรลุธรรมได้ก็เลยเอามาให้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะระดับภาษารีบุตรนี่ก็สุดยอดแล้วอ่ะยังไม่สามารถทําให้บรรลุธรรมได้ก็เหลืออยู่ผู้เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็เอามาเลยเอามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามพอพระพุทธเจ้าถามเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกภาษารีบุตรบอกโอ้เธอนี่ยังยังอะไรอ่ะ ผู้ยังรู้ไม่ทั่วถึงพระเจ้าบอกกับภาษาลิบุตรนะบอกอเธอนี่ยังรู้ไม่ทั่วถึงยังยังประมาณได้ไม่ดีไม่เก่งพอถึงแก้ปัญหานี้ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะทำให้คนอุตส่าห์มาบวชเพื่อหวังนิพพานหรือว่าหวังบรรลุธรรมเขายังมรรล้ไม่ได้ภาษาริบุตรแก้แก้ปัญหานี่ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นก็เลยต้องเอามาให้พระพุทธเจ้าผเจ้า ามาบวชนี่ก็มาบวชอยู่ในศาสนาของผู้เจ้าเจ้าก็เหมือนกับเข้ามาผูกแล้วมาผูกตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วแต่ผู้เจ้าฉลาดแก้ที่จะแก้ปิกสูใหม่ลูกนี้วันเดียวปรากฏว่าผู <c oughs> ้เจ้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดให้ใส่เสื้อผ้าที่ดีปณีนิดให้ไปบินธบาตในหมู่บ้านที่ดีเสร็จแล้วก็ได้อาหารอันปันนิมา เสร็จแล้วท่านก็ให้นั่งชั้ริมริมสะดอกบัวอ <c oughs> <y ell> ย่างดีหมดทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วพอฉันเสร็จเรียบร้อยพุทธเจ้าก็บอกอ่ะให้ดูสะบัวแล้วก็ให้พิจารณารมไปนะพิจารณาธรรมะไป <c oughs> แค่นี้แล้วพุทธเจ้าก็ไป <c oughs> ท่านนั่นก็ท่านก็พิจารณาดอกบัวไปเอ็ม <c oughs> ดอกบัวเหี่ยวมั่งดอกบัวปิ่มน้ำ ม, มั่งดอกบัว พ้นน้าบางดอกบัวที่แบบว่าหลุดร่วงลอยราจนเหลือแต่ก้านบ้างอะไรพิจารณาจนโอ้ท่านค่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมขึ้นมาพระเจ้าก็ชวยโอกาสจังหวะที่ท่านกําลังกําลังเกิดยานเกิดปัญญาเนี่ยพระเจ้าท่านก็มาตัดแสดงธรรมอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองภิกษุรูปนี้ก็บรรลุธรรมเลย <c oughs> วันเดียวใช้เวลาวันเดียว บรรลุทำได้อันเนี้ยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับผู้ที่ฉลาดถูกแล้วก็ฉลาดแก้นะอ่ะแต่ น, นี่เราย้อนกลับมานี่คือบุคคลประเภทแรกนะตอนนี้ย้อนมาดูตัวเราเองหลายเรื่องหลายอย่างที่บางทีเนี่ยเราไปผูกเอาไว้คือเราไปก่ อ, อไว้เราไปสร้างขึ้นมานี่คือการผูกคุณไปไปก่อไปสร้างไปอะไรขึ้นมาก็ตาม อย่างบางคนเนี่ยเอาตอนนี้เราโครงการบุญร่วมปฏิพีแม้บางคนคิดไอเดียอะไรต่ออะไรใหญ่เลยนะเยอะแยะนะจะทับนั้นจะทับนี่จะทับโด น, น, น, อนเอาละนี่นี่เริ่มฉลาดผูกนะนะคือจะทําบุญจะทําในสิ่งที่ดีนี่ถือว่าฉลาดผูกแต่พอผูกขึ้นมาบางทีบอกแล้วว่ามันมีปัญหาอ่าบางทีพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเผลอๆโดนโดนตำหนิหรือโดนว่าอีกด้วย อ้าวเขานี้สวยละสิฉลาดถูกแต่ไม่ฉลาดแก้อ่าบุคคลที่สองคืออะไรพวกที่ไม่ฉลาดถูกแต่ฉลาดแก้ใช่ไหมบุคคลประเภทที่สองไม่ฉลาดถูกอะ่ะคือพวกนี้เนี่ยบางทีไม่ค่อยคิดก่อไม่ค่อยคิดทำไม่ค่อยคิดอะไรที่มันสร้างสรรหรือว่า เปลี่ยนแปลงอะไรสักไหรพวกนี้ไม่ค่อยได้ไปคิดอะไรอะ่ะพวกนี้บางทีก็คนอื่นเ้าคิดมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็ทําทำตามตา ม, ตามเข้าไปอะ่ะแต่เขาฉลาดแก้พอเขาเจอปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นมาเกิดไม่ชอบใจกันขึ้นมาเกิดโกรธเคืองกันเกิดถือสากันขึ้นมาอย่างนี้อ้าคนที่ฉลาดแก้รู้จักตรวจจิตตรวจใจตัวเอง รู้จักดูจิตดูใจตัวเองอย่างน้อยน้อยแก้ที่ใจตัวเองได้ก่อนสบายก่อนใช่ไหมแม้ว่าจะมีอุปสรรคมันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่คนนี้โอ้โหไม่ไปขี้โกรธไม่ไปขี้โลภไม่ไปเกิดความระแวงไม่ไปเกิดความกลัวนั่นกลัวนี่อ่าจิตใจคนนี้นี่ฉลาดแก้อย่างน้อยน้อยใจคนนี้ก็สบายก่อนนะไม่ไปทุกข์ไม่ไปโศกอะไรด้วยส่วนปัญหาเรื่องนั้น นะเขาก็ใจเย็นพอหรือรอบคอบพอที่จะค่อยๆหาทางแก้ไขไปว่าเออจะแก้งั้นจะแก้อย่าง น, น, างนี้แล้วเขาก็ค่อยๆแก้ไปได้ด้วยทั้งๆ ท, ที่บางทีคนนี้ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อเริ่มสร้างอันนั้นขึ้นมาเลยเนี่ยวันไปสังเกตดูนะ mm. เห็นไหมล่ะอาตมายกตัวอย่างโอโ้บางคนที่มีความคิดอะไรดีๆนะโอ้โห ทั้งความคิดทั้ง อ, อะไรอ่ะการเสนอแนะการอะไรต่างๆโอ้โหดีหมดเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแต่พอเวลาไปลงมือทำจริงๆเจอไอ้หนอนอ่าๆไม่ชอบใจไม่พอใจชักอื่นอาจจะเครื่อนเจอไอ้นี่อ่ า, อาชักไม่ไม่ถูกใจอีกแล้วงหนะงุดหงิดอารมณ์เสียบางทีนี่ โกรธว่าดา่าหรือใช้ภาษาหนักๆแร ง, แรงๆแล้วออกไปเงี้ยยิ่งไปสร้างปัญหาหนักขึ้นแทนที่จะแก้ปัญหาได้นะแก้ไม่ได้จนบางคนนะ่ยไปไปม า, มาไอ้ที่ทำเอาไว้ขึ้นมาเนี่ยนะตัวเองเป็นคนบุกเบิร์ตแท้ๆเลยนะแต่ทําไปทํามาไอ้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ไม่ได้แต่คนอื่นนะ่ยที่ที่เขารวบรวมเข้ามาแล้วก็มาช่วยกันทํา ไปไปมามาเขาฉลาดแก้เนี่ยเขาอยู่ได้แต่แตไอ้คนฉลาดผูกขึ้นมาเนี่ยอุตสากร อ, อุตสาสร้างขึ้นมาไม่ได้อยู่เหมือนหนูสีประเภทเนี่ยคือประเภทที่ขุดรูแล้วก็ไม่ได้อยู่ <c ười> คือประเภทเดียวกันเนี่ยขุดรูแล้วก็ไม่ได้อยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าแหมฉลาดนะโอ้มีความพยายาม มีความขยันนะอุตสาหาะนะฮขุดรูหรือว่าสร้างบ้านเพื่อไงแต่พอสร้างเสร็จแล้วตัวเองอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่ได้อยู่ปรากฏว่าไอตัวอื่นเขาไม่ได้ขุดเขาไม่ได้อะไรเลยนะเขามาแล้วเ อ, อเขาอยู่ได้ฮ <c oughs> อะจะไปว่าคนอื่นเขาอะไรนะเอาเปรียบหรืออะไรชุบมือเปิบโอ้ไม่ได้อะเขามี eq อะ่ะ <c oughs> เขาไม่ใช่มีแค่ไอคะส่วนใหญ่พวกฉลาดถูกเนี่ยนะเป็นพวกมี IQ IQ สูงแต่ EQ ต่ำเนี่ยเลยไม่ฉลาดแก้เนี่ยแต่พวกที่ไม่ฉลาดถูกเนี่ยคือ iQ อาจจะไม่สูงนักนะไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยมีไหวพริบปฏิพานไอไอสร้างสรรค์ไออะไรข้าวของเงินทองหรือระบบวิธีการอะไรต่างๆไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่หรอก แต่ EQ เขาสูงอะ EQ เขาแบบว่าเออเขาระงับอารมณ์ก็ได้นะเขาอะไรประณีประนอมหรือเข า, เารู้การที่จะพูดจากับคนนั้นคนนี้แล้วทำให้เอเอเหตุการณ์มันก็ค่อยค่อยๆขี้คลายแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปได้กลับไปรอดเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่แม้ว่าจะ IQ ไม่สูงแต่ถ้า EQ เขาสูงแล้ว ส่วนส่วนใหญ่จะไปรอดอาจจะไม่ใช่คนร่ํารวยนะต่อให้เป็นคนจนด้วยแต่ถึงจะเป็นคนจนแต่เขาก็จะมีความสุขได้ต่างจากคนรวยนะโอ้โหไอคิวสูงมากเลยเล่นหุ้นเล่นอะไรต่ออะไรเนะี่ยโอ้โหซื้อทํากิจการอะไรนี่เงินทองเยอะแยะมากมายโอ้โหไอคิวในการที่จะอะไรอะซื้อขายในการที่จะลงทุนอะไรเก่งมาก น่าฉลาดผูกแต่ปรากฏว่าเรื่องของ eq เรื่องของอารมณ์ใช้ไม่ได้เลยพวกนี้บางทีอ่ะเพอเอไปไปมาๆๆเดี๋ยวก็ล่มจมเพราะคนอื่นเขาไม่ชอบใจบางทีก็เดี๋ยวก็โดนหักหลังบ้างโดนทรยศบ้างหรือว่าต่อให้รวยก็ไม่มีความสุขเพราะคนเขาไม่ชอบอะคนเขาเกียดชังวางทีต่อหน้าเขากแกล้งทาดีรับหลังเขาก็ด่าให้ เพราะฉะนั้นแล้วพยายามบุคคลทั้งสองพวกนี้พวกที่ฉลาดผูแล้วก็ไม่ฉลาดแก้กับพวกที่ไม่ฉลาดผูกนะแต่ฉลาดแก้นี่ดีกว่านะพวกที่สองนี่ดีกว่าพวกแรกแต่พวกที่เราต้องการที่สุดก็คือพวกที่ทั้งฉลาดผูกทั้งฉลาดผูกแล้วก็ทังฉลาดแก้อันนี้ เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการที่สุดเพราะคนที่จะพ้นทุกข์ได้ดีที่สุดสูงที่สุดนะโอกาสที่เราจะได้มรรคผลที่สูงสูงขึ้นไปแล้วก็ประลุทำได้นะ่าจะต้องพยายามนะ่าเป็นพวกที่จะต้องทั้งฉลาดผูกแล้วก็ฉลาดแก้ไม่ใช่เป็นแบบจุลปันทุกเคยจะยินแม่เนี่ยมีวิบากกรรมของอดีตพระจุลปันทกที่โง่ไม่ฉลาดเลยอันนี้ i อควต่า มาบวชเป็นพระกับพี่ชายพี่ชายนี่โอ้อะไรอะไรก็ท่องจำอะไรต่ออะไรก็แหมสวดสวดเทศสอนอะไรใครต่อใครได้เก่งแต่จุลปันถุกนี่ปรากฏว่าจำอะไรไม่ได้เลยขาให้มาท่องบทเดียวก็ท่องอยู่แั้วก็จำไม่ได้ท่องนานแค่ไหนก็จำไม่ได้จนีโน้พี่ชายก็บางทีจะโกรธโมโหเอา ไ, ไล่องชาย ปากฏว่าไปไปมามาอันนี้ก็ต้องพระเจ้าอีกอะนะพระเจ้านี่ฉลาดที่จะแก้ไขถ้าถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นพระเจ้าก็เห็นแล้วว่านี่ไม่มีไหวพิบไม่มีปฏิภาณเลยในเรื่องของการสวดการท่องอะไรยังต่างาก็เลยเอามาให้ผ้าผืนหนึ่งผ้าขาวอะ่ะแล้วค่อยให้มาพิจารณานะพิจารณา อะไรอะระโชกละนังอะไรไม่รู้นะ่าจำภาษาบาลีไม่ได้เนี่ยแต่ก็เนี่ยให้มาพิจารณาพาจุฬาบรรทุนกนี่ก็เอามาพิจารณาลู่ลูลล่คำคำไปไ ป, ไปมามาผ้าจากขาวสะอาดก็จับอยู่นั่นนะพิจารณาอยู่นั่นนะก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดเออก็จับไปจับมาดูไปดูมาจนกระทั่งในสุดก็เลอะ เลเอะเทอะไปหมดนะ่ะมันก็อะไรนะมอเอ้ยเขาจะเรียกอะไรอะ่ะมันค้ํามันอะไรอะ่ะมันหมองลงไปอะ่ะผ้า เ, เสร็จแล้วถึงจะเออเอต่อหลังค่อยๆมาพิจารณาเอ้ไอ้ที่เป็นรูปอย่างเนี้ยสมมุติอันเนี้ยให้เห็นได้พิจารณาเป็นธรรมะขึ้นมาได้ถึงให้เห็นถึงเออความอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนนะความทุก ความที่จะไปยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้เอาไว้มันไม่ได้โอ้ตอหลังท่านถึงได้บรรลุธรรมอย่างเงี้ยแต่แหมยากลำบากเหลือเกินนะั้นต้องไปเจอระดับผู้เจ้ามาช่วยอย่างเงี้ยโอ้โห ค, คิดดูสิแล้วนี่ก็ไม่ได้มีพระพุทธ เ, เจ้าอย่างนั้นแล้วอะถ้าเราคือนะไม่มีทั้งฉลาดผูแล้วก็ไม่มีทั้งฉลาดแก้กยิ่งยากาสิใครจะมาช่วยผูกให้เราอะ หมายถึงว่าใครจะมาช่วยชี้แจงอะไรต่ออะไรให้เราได้มากมายเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องพยายามฉลาดผูกของตัวเราเองเนี่ยเพิ่มเพิ่มไหวพริบเพิ่มสติปัญญาของเราเองเนี่ยให้ให้มากขึ้นมันศึกษาคนที่จะฉลาดผูกในทางที่ดีเนี่ยมันฟังธรรมมันศึกษามันเรียนรู้มันปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยฉลาดผูกแต่พอมาปฏิบัติแล้วต้องมีการพิจารณาไต่ตรองนั้นมีการสรุปผลว่าเออไอที่ทำทำมัเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะแล้วมันมีปัญหาอย่างไรบ้างปัญหานี้มันมาจากต้นต่ออะไรเป็นเหตุแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้แล้วก็หาวิธีการแก้ไข โดยการที่ไม่ใช้อารมณ์ โ, โกรธโกรธหลงอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าใครเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เป็นประเภทที่3เนี่ยนะทั้งพยายามฉลาดผูกท่านพยายามฉลาดแก้จะไวที่สุดจะไปได้เร็วในการปฏิบัติธรรมแต่ส่วนใหญ่อะนะโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นประเภทที่2 ส, ส่วนใหญ่โดยโดยทั่วๆไปหมายถึงว่านักปฏิบัติธรรมนะ มาวัดแล้วก็มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เพราะว่าจะติดแป้นหรือว่าจะติดความเคยชินเพราะว่าพอติดความเคยชินเนี่ยจะไม่ค่อยจะเพิ่มภูมิตัวเองเพิ่มปัญญาของตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยเพิ่มเพียงแต่ว่าบางทีมาอยู่วัดแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วภาษาที่เราเจอเจอมันอยู่ในวงได้สายศินเนี่ยภาษามันจะเบาลง มันบางทีเนี่ยเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรเนี่ยมันไม่ตึงเครียดมันไม่ยาบรุนแรงเหมือนเหมือนแต่ก่อนเก่าแล้วไม่เหมือนกับเราเราใช้ชีวิตแบบโลกโลกถ้าใช้ชีวิตแบบโลกโลกแล้วมันรุนแรงอารมณ์รุนแรงมากแต่พอมาอยู่ในวัดจริงคุณยังมีกิเลสอยู่แต่อารมณ์รุนแรงพวกนี้มันจะลดลงเพราะคุณได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างนะมีคนที่ศีลสูงกว่าเราบ้างหรือศีลเสมอรเราบ้าง คอยตเตือนบ้างคอยบอกกล่าวบ้างมันทําให้อารมณ์เรานี่จะไปโอ้โหคุ้มขั่งฝั่งเฟือนหรือว่าอารมณ์โกรธโลภจะจัดเหมือนแต่ก่อนมันทําไม่ได้พราะอารมณ์พวกนี้มันจะลดลงอารมณ์แรงพวกนี้จะลดลงแต่เพราะอารมณ์พวกนี้ลดลงเนี่ยแหละอารมณ์หยาบหยาบนี่นะลดลงเพราะฉะนั้นอารมณ์เราจะสบายขึ้นเนี่ย คุณจะอยู่ในสภาวะที่คุณสบายขึ้นคุณไม่ไปห่วงไ อ, อ้อะไรนะเงินเดือนอะไรมากมายนักหรอกพอมีเงินใช้คุณก็แอบสบายแล้วเนี่ยความพิตกกำวลพวก น, นี้คุณก็ลดลงบางทีบ้านช่อนเรือนชาตแต่ก่อนคุณห่วงอย่างนั้นอย่างนี้บางทีหลังๆนี่บางทีโอ้พอมีพอใช้พอกินอะไรคุณก็พอเป็นได้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมอารมณ์คุณไม่ได้ไปหอบห่วง ไปยึดถืออะไรเหมือนแต่ก่อนอารมณ์คุณสบายขึ้นการกินอยู่รับนอนแต่ก่อนโอ้โหต้องฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยต้องติดหลงไอ้นนไอ้นีไน่ไอ้นัน่นแต่เดี๋ยวนี้คุณดูสิสบายขึ้นกินก็ไม่อะไรอ่ะไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องกินจุบจิบไม่ต้องกินมากมือเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เออจุบจิบไม่ต้องกินก็ได้ กินเป็นมือเป็นคราวขึ้นมามันง่ายขึ้นแต่ก่อนโหติดชอบอะไรต้องไปให้ถึงที่เดี๋ยวนี้เออเอ า, เอ า, เอาไม่ไม่กินก็ได้เอาอย่างอื่นทดแทนก็ได้เนี่ยอารมณ์มันเบาเบาขึ้น่างเยอะ